ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมห า, าวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนําเสนอเรื่องมงคลสูตรบทแรกน่ะคือบทว่าอเสวนาจะบาลานังคือการไม่คบผานเอตํมังกัลมุตมังก์็เป็นอุดมมงคลประการเนี่ยปัญหาเรื่องการคบผานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆ ที่โบราณท่านบอกว่าปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายแต่งานผิดก็คิดจนตัวตายปิดคบเพื่อนผิดเนี่ยบางทีเขาลกเขาพงไปเลยเคยเจอมีพวกที่บวชที่วัดเนี่ยหลายคนแลตคขอบ่านสมาคมกับเพื่อนที่ไม่ดีรับมรดกแก่พ่อแม่ไปลงทุนด้วยกัน พอได้ก็ไม่เพื่อนก็เชิญเงินนี้เลยนี่จะเยอะมากๆก็ออยันที่เคยบอกนะว่าสรัพใดที่คนเรายังไม่เชื่อในกฎของกรรมเชื่อในกฎสังสารวัตรบรราชินธรรมจะแก้ยากมากๆเลยเพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมนุษย์จะต้องมีวินัยในตัวเองอเขาอยู่เป็นการส่วนตัวเขาในขณะที่เขาอยู่เป็นการส่วนตัวเขาเนี่ก็ทําชั่วอะไรได้เยอะเลย ถ้าเขายังไม่กลัวบาปยังไม่กลัวนรกแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วเสื่อมเจริญสุขทุกนรกสวรรค์นั่ก็อย่างน้อยพบชาติเขาจะประนีตขึ้นจิตใจเขาจะประนีตขึ้นการทำชั่วก็จะลดลงพระโพธิสัตว์ก็อยู่ในชาดกเหมือนกันนะฮะประเตรบิณฑก ่็เล่มที่27พวกไฮริทะราคชาโดคือพระโพธิสัตว์เป็นดาบทอยู่ในหิมวันรประเทศเมื่อจะสอนดาบทผู้เป็นบุตรของตนซึ่งเบื่อหน่ายใครจะออกจากป่าไปสู่ถิ่นมนุษยนะ์ก็แสดงว่าดาบทบางประเภทก็มีลูก แต่คนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยไม่ใช่มีลูกหรอกคือมันมันก็เกิดมาแปลกอ่ะทำนองคล้ายๆกับว่าเป็นสัตว์มาดื่มปัสสาวะของฤาษีแล้วก็เกิดท้องขึ้นมาไอ้ก็เมืนในแนวเนี้ยมันค่อนข้างจยาปลกมันก็ต้องถามวงการแพทย์ดูว่าในแง่ของความจริงเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไร แต่ว่าถ้าดูแนวอัตรกรถาแล้วท่านก็อธิบายไว้เยอะก็สรุปว่าอายกให้เป็นเรื่องที่ท่านมีประสบการณ์ของท่านก็แล้วกันคือดาวบดลูกเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาเป็นหนุ่มขึ้นมามันก็มีความต้องการในทางเพศแล้วก็ปรารถนาที่จะออกจากป่าไปมีคู่ครอง พ่อก็เห็นว่าคงจะพูดกับลูกยากนะฮะแต่เพื่อความสวัสดีแก่ลูกมีข้อแม่อย่างเดียวนะว่าลูกไปก็ไปเถอะแต่อย่าคบคนผ่านคือความเยาความเขาวเนี่ยนะือคนอยู่ในป่านานๆแล้วเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยไม่ได้สะสมประสบการณ์เมือง ประสบการณ์ป่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยสลับซับซ้อนและก็เรียบง่ายแต่ก็ไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยอะไรนะฮะแต่อยู่ในเมืองเนี่ยมันก็เรีย ก, กว่าคือกว่าทะเลสอกกว่าทะเลเป็นเรื่องที่น่ากลัวท่านก็บอกว่าผู้ใดไม่มีกรรมชั่วทางกายวาจาและทางใจ เราจะไปจากที่นี้จงตั้งไว้เหมือนบุตรที่เกิดแต่ อ, อกขาอผาผู้นั้นหมายความว่าทำตัวเสมือนลูกของท่านผู้นั้นแล้วข้อผาสมาคมกับท่านตรงนี้จงใช้คำม่าทำเมนะแปลว่าโดยธรรมนะครับเรื่องใหญ่ถามว่าธรรมะเกณฑ์ขนาดไหนล่ะที่กำหนดว่า มมีความชั่วทางกายทางวาจาและก็ทางใจเนี่ยมายความมาท่านเหล่านั้นไม่พูดทั่วไม่คิดทั่วไม่ทำชั่วก็กลับมาสู่เกณฑ์มาตรฐานเดิมนะฮะคือสุจริตทางไตรทวารคือทางกายทางวาจาทางใจหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกุศลกบฏ ท, ทั้งสิประการท่านควงจะเจอบ่อยมากกุศลกบฏสิประการเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า มนุสยชาติมีปัญหาที่กุศลกบฏ ท, ทั้งสิบประกาศที่ส่วนมากเราจะพูดเรื่องสี่ห้านะแต่เราอย่าลืมมาสี่ห้าข้อมุสาวาสนะถามมุสาวาที่พูดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเวลาส่อเสียจริงไหมมันก็ไม่จริงเวลากล่าวคาหยาคำด่าทั้งหลายนี่จริงไหมมันก็ไม่จริงคาเพ้อเจอ้อจริงไหมมันก็ไม่จริง เพราะในคำมมุสาวาดเนี่ยได้คุมการสอดเสียดการกล่าวคำหยาบการพูดเพ้อเจอ้อไปโดยในภาคของการปฏิบัติเพราะเนื้อหาสาระจริงๆมันก็มาจากจิตที่มีปัญญาคือมีความเห็นชอบเพราะถ้าจะมองเห็นโทษหมดแล้วท่านกุเวนเก้าข้อนั้นใน้ลองสังเกตว่าเป็นโทษทั้งหมด ขาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเหลวไหลโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคนอื่นผิดต้งนั้นคิดก็ผิดแล้วยิ่งทำไปยิ่งผิดยิ่งพูดไปยิ่งผิดาะงานให้คบหาสมาคมคนนั้นประจัยเขาบริสุทธิ์เขามีปัญญาเป็นผู้นำในการดำเนินชีวิต วางตัวเหมือนกัลูกซึ่งเกิดแต่อกของบุคคลผู้นั้นแล้วก็บอกว่าอันหนึ่งผู้ใดประพฤติโดยธรรมแม้ประพฤติอยู่ไม่เยอะจริงคือคนที่ประพฤติทมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโอ้อวดอะธรรมะที่จริงมันเป็นหลักการในการครองชีวิตของเราเป็นสัตตรงส่วนตัวของคนที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ถ้าปฏิบัติรมแล้วยังมีการเยอะอญิงมันก็จะเหมือนกับอะไรท่านบอกว่าเหมือนกับผ้าที่ย้อมด้วยขมิน้นเพื่อแสดงว่าจิตใจเขาไม่มั่นคงไม่ต้องพูดระดับธรรมะเราพูดระดับศีล น, นะฮะอริยกนระศีลท่านฟังคงขึงนึกออกว่ามันมีคำว่า ไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิครอบงำไอ้ตัวนี้เป็นอาการของทิฏฐิตัญหามานาะทิฏฐิก็อยู่ด้วยกันนะี่ยนะไอ้ความมาเยอะยิงเนี่ยเป็นอาการของมานาะแต่ว่ามันก็เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดความเยอะยิงแล้วก็อาจจะเกิดมาจากเช่นว่าตัวเองมีฐานะมั่งคั้งร่ำรวยมีรูปสวยมีความรู้ดีเ่เกิดเยอะยิงได้ทั้งนั้น แต่การแย่ยิงอย่างนั้นมันไม่ได้เสริมความดีแต่ว่าเป็นการบันทอนความดีของตัวเองวันคนปฏิบัติธรรมมันจึงมีบทพิสูจน์นะพวกนี้คล้ายๆกับเป็นบทพิสูจน์ว่าถ้าเธอเป็นอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้คือไม่มีความชั่วในรูปแบบอื่น อาการเยื่หยิ่งเป็นเรียกว่าอาการพองขึ้นนะฮะเป็นอหังการเป็น ม, มามังการอันพองขึ้นโดยความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นแล้วก็สิ่งนั้นเป็นของเราแล้วก็ไปเทียบคนอื่นคนเราเราเหนือกว่าคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็มันเกิดอาการเยืยวหยิ่งแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่สุจริตมโนไม่สุจริตใจเนี่ยไม่สุจริต ท่านก็บอกว่ากระปีจิตตังนะฮะจิตเบืองก็ลิงคือมันบอกแวกมีจิตที่กลับกรอกก็ถ้าคนอย่างนี้หมายความว่าในด้านจิตด้านมโนเ น, นี่ไม่สุจริตเพราะจะลืมว่ามโนสุจริตมันคือไม่โลภไม่โลภมันก็หมายความไม่มีอาการราคะไม่มีอาการโลภะไม่มีอาการของ ิษยาหรือความปรารถนาในลักษณะอย่างอื่นในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รัก่ายหน่ายเร็วนะเอาอะไรไม่ค่อยได้ท่านก็บอกว่า อ, อันหนึง่งผู้ใดประพฤติโดยธรรมแม้ประพฤติอยู่ไม่เยอะยิงใชได้นะแต่ไม่เยอะยิงนี่ใชได้ จะไปจากที่นี้จงคบหาผู้นั้นซึ่งมีปกติทำกรรมอันบริสุทธิ์อาการเยอ่อยิงอาการดูหมินอาการยกตนข่มท่านอะไรอะไรทั้งหมดอะก็หมายความว่าตัวอย่างที่สังเกตเอาลูกชายเพิ่งเป็นผู้เยาต่อโลกอย่างไม่สามารถจำแนกแยกแยะอะไรได้อย่างชัดเจนเพราะงั้นท่านดา บ, บทท่านก็พูดในประเด็นของการเย่อยิงแต่ทําไมเย่อยิง นะควรข้อบ่าสมาคมกับท่านผู้นั้นแสดงว่าสุดจริต จ, จริงสุ ป, ปรปโยชดีปลว่างาม ป, ประโยง่ายนะฮะโดยเฉพาะยิ่งก็ดีงามทีนี้การดีงามในอย่างที่เคยบอกว่าว่ามันในใจมนุษย์มันมีมารยามันมีเสแสร้งมันมีโอ้อวดมันมีแข่งดี ม, มีการถือตัวโอสารพัณฑ์นะมนุษย์นี่เข้าใจยากมาก ปากปราสัยใจเชืดคอก็เยอะนะแม้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางภาคใต้เนี่ยเราจะเห็นว่าพวกที่เสมอนอกนี่เยอะนะพร้อมที่จะแกว่งไปในด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เอาตัวรอดเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่ว่าใครชนะเขาได้ประโยชน์ทั้งคู่ทั้งสองฝ่าย นั่นคือโลกมนุษย์อะเป็นยางไงคือบางทีในเราเราไม่ได้มองนะฮะไม่ได้มองไม่ได้คิดอย่างเวลาเนี้ยที่เราไปเห่ตื่นเต้นกับระบบประชาธิปไตยอะไรต่างๆคล้ายๆกับเป็นประกาศสิทธิ์จากสวงสวรรค์ที่ต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นจะเป็นการปกครองที่ถูกต้องมันเป็นความเชื่อคล้ายๆกับแพทย์ แผนปัจจุบันนะปฏิเสธยาสมุนไพราถามว่าโรคนั้นเพิ่งเกิดหรือเปล่าแต่ก่อนที่แพทย์แพทย์หลวงยังไม่เกิดขึ้นก็เรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดเราหายโรคมาจากอะไรหรือว่าตายหมดเลยพอป่วยแล้วก็ตายป่วยตา ย, ยางไงอันนี้คือคือเราไม่ไม่เคยคิดปัญญาที่ปตยก็เหมือนกันไปเรื่องเพิ่งเกิดไม่เท่ารมายนี่เอง อย่างมากเนี่ยเราก็สาวาไปได้เนี่ยกันสมัยเซโนของกรีกหรือจะเทียบเคียงกับระบบสามัญคีธรรมในกรุงกบินละพัฒกรุงเทวทหะแล้วก็วัชีมัลละแต่เนี้ยแต่มันเป็นนภพิจาณาที่ปไตยไม่จะเป็นประชาธิปไยตยเพราะงั้น ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยว่าโลกเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดวันท้องวันเกิดมานา น, น, นนะแล้วแล้วทัานมาก็ได้ยังไงล่ะสร้างบ้านแปลงเมืองกันมาอย่างไงในทวีปเอเชียเนี่ยก็สร้างบ้านแปลงเมืองกันมอย่างไงมันมีวัติศาสตร์บ่งบอกว่ามันไม่ได้มาโดยประชาธิปไตยเลยทั้งประเทศเมาด้วยระบบการนําของผู้นําที่มีประสิทธิภาพ แล้วก็ขวาวฟันอุปสรรคปัญหาอันตรายต่างๆเลยเจ๊แต่ก็เสร็จแล้วเราก็มองไปมุมเดียวโดยลือไปนะฮะว่าลักษณะ ส, สังคมหนึ่งเป็นยังไงแต่มาค่อนข้า ง, ง, งติดใจในตอนพระเจ้าตากสินท่านกู้แผ่นดินเนี่ยอ๊กคนน้อยเหลือเกินแต่ว่ากู้เสร็จแต่ทำไมมันเยอะเหลือเกิน นั่นคือภาพสังคมที่ผู้เสมอนอกนี่ยะชานะไหนเอาร้านเนี่ยจะอยู่เยอะเพระนาการทั้งหมดที่ท่านดาบทพูดเนี่ยก็คือเป็นการสะท้อนธรรมะออกมาจากสุจริตทางกายใจทวารดังกล่าวเนี่ยคือถ้าสุจริตจริงมันต้องเป็นอย่างเนี้ยบอกว่ามีปัญญาโจงก็อพาผูา้นั้นซึ่งมีปกติทำกรรมมันบริสุทธิ์มีปัญญา ลูกเอย๋ยหากว่าพื้นชมปูตวีททั้งสิ้นแม้จะพึงไร้มนุษย์สายเจ้า ก, ก็อยจะคบหาคนผู้มีจิตดุจลิงคือตลบตะแหลงถ้าโลกมีคนเพียงคนเดียวแล้วก็เป็นคนพานเนี่ยอยู่คนเดียวเถอะอยู่คนเดียวเถอะอย่าไปคบคนนั้นเลยเพราะว่าใจของคนเหล่านี้มันหลุกหลิกวอกแวกกับกรอกรดุจลิง แล้วก็เป็นการสะท้อนอาการของกิเลสที่ทอนบอกว่าเป็นดังผ้าที่ย้อมด้วยขมิน้นอยู่รักง่ายนายเร็วจุดจ้างเร็วก็จะยากคบยากปูดสามวันดีสี่วันร้ายปัญหาเหล่านี้เป็ น, เ, ปนเรียกว่าเป็นตํราอ่านอ่านอ่านคนก็ได้นะเป็นตําราอ่านคน และถามมาล่าสมัยไหมแต่ทันสมัยเปรียบเลยนะจนเดี๋ยวนี้โลกก็กลเป็นอย่างเงี้ยคนก็ยังเป็นคนอย่างเงี้ยคนประเภทที่มักจืดจางเห็นแก่ตัวนะคบเพื่อนเพราะมุ่งหวังประโยชน์จะได้พอตัวเองได้ประโยชน์แล้วก็เลิกไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่ต้องการจะคบหาผสมาคงกับเพื่อนแล้ว ท่นบอกว่าเจ้าจงหลีกเลี่ยงมันเสียห่างไกลเหมือนหนึ่งคนขาดหลีกอสรพิษตัวดุร้ายเสียให้ไกลๆพราะนี้มันร้ายยิ่งกว่าอสรพิษนะคนชั่วนี่ร้ายยิ่งกว่าอสรพิษเพราะอะไรคนชั่วอาจจะนําเราไปทําชั่วผู้ชั่วคิดชั่วได้ดแล้วบาปกรรมเหล่านั้นนําเราไปสู่นรกได้คือพักเราลงสู่นรกได้นะคนชั่ว แตงูอย่างมากมันกัดเราตายแต่นั่นเองทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วัวน้อเทียบแล้วเนี่ยอันสรพิษดีกว่าให้งูกัดตายจะยังดีกว่าที่จะให้คนพานชักพาไปเขารกเข้าพงพาปลาข้าลงไปเด็นคำที่ที่ไพเราะมาก ข้อความตัวนี้ก็เป็นเป็นอัตรกรถาเช่นเดียวกันอัตรกรถาชาดกเต่นตรงนี้อยู่ในพระบาลีนะฮะคาถาเนี่ยอยู่ในพระบาลีตบดีเล่นที่ยี่สิบเจ็ดคือถ้าต้องการจะอ่านโดยสรุปนะฮะอ่านยี่เจ็ดกับยี่สิบแปดเนี่ยก็จบชาดกห้าร้อยห้าสิบเรื่องเป็ข้อความสั้นๆอ่านเฉพาะพานสิบแต่ว่า พออ่านจริงๆถ้าเราไม่อ่านอัตยกาถาเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจความเป็นมาว่าทำไมจึงพูดอย่างนี้คือเรื่องบางเรื่องอันเป็นกรณีนั้นไปใช้ในกรณีอื่นไม่ได้เช่นเช่นสมมติวันเนี้ยเมื่ออนุสรถึงธรรมถึงสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักธรรม ทำในที่นี้คือสัจจะปฏิยานเป็นสัจจะปฏิยาณที่ท่านโจรบริษัทได้ให้ไว้แก่พระเจ้าสุทสโรมเพนั้นถ้าเราไม่รู้เราก็ตีความไม่ถูกเพราะนั้นเวลาเราตีเราก็ตีไปเรื่อยนะฮะตีไปเรื่อยเลยแต่ถ้าเราอ่านที่ไปที่มาให้ชัดเนี่ยเขาเรียกอัตตากถาเขาจะอธิบาย คือแนวธรรมะนี่มาเรียกว่าอะไรอย่างไรดับเพื่ออะไรให้คุณยังไงให้โทษยังไงเราต้องมองอย่างนั้นเช่นสมุติติเนี่ยหมามมยาม ค, วามความเป็นยังไงหมายความความระลึกได้ระลึกอย่างไรเรียกว่าสติอย่างไรเรียกว่าสติก็อธิบายไปจะให้คุณยังไงถ้าไม่มีเนี่ยจะให้โทษยังไงเพราะในขณะที่เรายืนยันความมีเนี่ยอย่าลืมมาอีกด้านหนึ่งคือไม่มี เราจะต้องคิดต้องมองอีกด้านห น, น, น, นึ่งเพราะเป็นการปรากฏเมื่ อ, อย่างหนึ่งปรากฏเนี่ยอย่างหนึ่งไม่ปรากฏโดยคนต้องคิดต้องอนุมานเอาจากสิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยไปหาสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏคล้ายนะ ๆ, ๆกับว่าคนดีงดเว้นจากการฆ่าสัต์เนี่ยหมายความคนชั่วเนี่ยไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เพราะเพราะเราเห็นฝ่ายโทษได้เราก็เห็นฝ่ายขุดได้แนวมงคลมังกรตระทีบันีเนี่ยท่านจะเน้นที่เรื่องการไม่ครบผ่านไว้เยอะพอเขาบัณฑิตมันก็รู้ตงกงเงนข้ามคือมองอีกด้านหนึ่งเนี่ยด้านหนึ่งคือตรงเงินข้ามก็เป็นบัณฑิตไม่จําเป็นจะต้องอธิบายมากเมื่อเราจับประเด็นผ่านได้เราก็จับประเด็นกับบัณฑิตได้เพราะว่า เป็นการสอนแนวทวิภาวะคือความจริงสองด้านซึ่งไม่เกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันเป็นกุศลธรรมากุศลธรรมานะฮะเพราคนพานก็เป็นตัวแทนของอกุศลแต่อกุศลที่เป็นรูปธรรมเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมแต่ว่าตัวผลักดันจริงๆเนี่ยคืออกุศลซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของคนพาน แกพูดไปด้วยอำนาจของราคะบางโลภะบางโทสะบางมัวบางธรรมก็อย่างนั้นคิดก็อย่างนั้นเพราะถ้ามองเห็นโทษจากคนผ่านนะี่ยก็ต้องพยายามหนีห่างไกลมันเหมือนกับมองเห็นทางที่มีอสรพิษมันรออยู่เสือมันรออยู่สัตว์ร้ายยอรูจน ร, รออยู่ก็นึกอะไรก็ได้นะยิงเป็นอันตรายอ่ะ แล้วก็เพื่อความสวัสดีแก่ตนคือต้องหนีห่างไกลเพราะอย่าลืมว่ามงคลเนี่ยเขาต้องการทางแห่งความสวัสดีกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนหลาการที่ทรงแสดงไว้ในที่อื่นๆท่านก็ไปรวบรวบมาให้ดูแล้วบอกว่า มันเหมือนกับคนเกลียดคูดคืออุจาระนะหลีกหนีหนทางใหญ่อันเปื้อนคูดเหมือนคนขับยานหลีกเลี่ยงหนทางที่ขรุขระเสียฉะนั้นอันนี้เป็นการอุปมาเทียบเคียงเหมาะสมกับยุคสมัยนะเหมาะสมกับยุคสมัยในที่นั้นๆัวั น, นี้เราลองสังเกตว่าแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งเริงรมตั้งหลายเนี่ยนะที่จริงไม่ค่อยเริงอะไรเท่าไหร่หรอก มันเสียเวลาเสียสุขภาพจิตเสียบรรยากาศแล้วก็อาจจะตะเลิดไปจนถึงเสียเนื้อเสียตัวอะไรต่อไรแต่ว่าคนเราก็ขาดสํานึกสำเนีกในเรื่องนี้คือกระแสที่เลื่อนไหลไปตามกระแสผ่านเนี่ย่ยาลืมว่าเป็นทางมาของผลประโยชน์มาสารเนี่ยลักษณะข้างผ่านหนึ่งคือยั่วให้อยากก็าขู่ให้กลัวก็ยั่วให้อยาก แต่ถ้าเราดูสังคมปัจจุบันมันก็มีลักษณะขู่ให้กลัวกระยุ่ให้อยากล่อดโดยผลประโยชน์ลดแรกแจกแถมครึง่งวันครึง่งราคาสาราพัดแลยคนก็ไม่คิดว่านี่คือบ่วงมารคือเหยื่อคือเหยื่อคือคือเป็นเครื่องล่อแต่เราก็ไหลไปตามจนกลายเป็นคขานิยมคขานิยมไปต่างประเทศไปช้อปปิ้งต่างประเทศไป ดูกิจกรรมต่างๆ ต, ต, ต่างประเทศในความเป็นจริงนะะยุคไอ้เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างเนี้ยที่จริงในะไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็มีเป็นวีดีโออะไรเยอะเป็นเอกสารหนังสือเยอะเลยแต่เราร่วมกันศึกษาค้นคว้าแต่ก็ทงคนไปดูแล้วก็มาเป็นวิทยากรมันยาญ่สรุปประหยัดเงินได้เยอะ แต่บาเป็นค่านุมเป็นแฟชั่นพูซิโกนะฮะไปดูงานนะฮะเลวก็จบบรรยา ก, กามันถึงก็จบมันก็เหมือนกับสมมติลราไปต่างประเทศมีคนก็ถามบ่อยว่าไปต่างประเทศบ้างไหมบอกว่าไปมานานแล้วตั้งแต่ปศ .2533 ยังไม่มีความคิดที่จะไป แต่ถ้าจะไปหมายความมันต้องมีการนิมนต์เป็นกิจลักษณะแล้วก็ไปเพื่อเผยแผ่ธรรมะอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ไปไปประชุมก็ไม่ไปนะไปเพื่อสวดเพื่อฉันเพื่อเยี่ยมเยียนอะไรก็ไม่ไปไม่คุ้มใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรพอนะี้ที่จริงก็ดูภาพแผ่นเดียวดูหนังสือสองสามบทเราก็รู้แล้วเราไม่เห็นมีอะไรขึ้นมา การมองเนี่ยมองมองแนวพุทธก็คือมองไปที่ตัวประโยชน์ตัวนี้ไม่เกิดประโยชน์เชิงปรางเพื่อนคูดเนี่ยไม่เกิดประโยชน์หรือว่าทางที่ครุขระเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เร้่งไก่เหล่งนี้ค้นผ่านเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เห็นไหมมันจะมองตัวเดียวแหละมองไปที่ประโยชน์พอเราถามมันได้ประโยชน์อะไรตอบไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เคล่อนไหวแต่เราสง่งเคราะห์เขาการสงเคราะห์ก็สง่งเคราะห์ไปตามกำ บ, บังความสามารถที่เราจะสงเคราะห์ได้ไม่ใช่ว่าปล่อยเขาไถเขารีดไถเอาเรื่อยๆแล้วก็ท่านดับทก็กล่าวว่าพ่อความทิพหายทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ซ่องเสพคนผ่านเกินไปนะมีข้อแม้ว่าเกินไปคือกรารชิดเกินไปกินร่วมอยู่ร่วมเอ ทำกิจกรรมร่วมนอนร่วมไอ้นี่เสียงมีคนพานเป็นเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยกันในเสียงแต่ถ้าเรามีอะไรพอช่วยก็ได้เราก็ช่วยก็จบก็เป็นทางใครทางมันอย่าไปถึงกับคุกคีกันขนาดนั้นไม่ใช่รังเกยียจเดียดฉันอะไรน้ำใจเรายังมีเมตตาคือพื้นฐานสาคัญเนี่ยเออไม่ได้เกลียดคนพาน ได้ระเกียร์ุกความเป็นผ่านซึ่งมีอยู่ในใจของคนผ่านแล้วก็กลัวใจของเร า, า จ, จะไหลหไปตามไหลหไปตามกระแสะกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของคนผ่านแล้ก็บอกว่าเจ้าอย่าสมาคมกับคนผ่านนะประการอยู่ร่วมกับคนผ่านเป็นเหตุนาทุกข์มาให้หลุดการอยู่ร่วมกับศัตรูในการทุกเมื่อ ลูกเอ๋ยเพราะเหตุนั้นพ่อจึงขอร้องเจ้าไว้เจ้าจงทาตามคำของพ่อเต่อย่าริสมาคมกับคนพาลเป็นอันขาดเพราะการสมาคมกับคนพาลเป็นเหตุนำทุกมาให้นะฮะนี่ก็ถึงบทสรุปคือเราจะเห็นว่าเอาก็จริงจากคำสอนของท่านดาบทเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแล้วจะเลือก เฟ็นยังไงจึงจะไดะ้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ในที่สุดลูกชายลูกชายไม่ไปอ่ะมันไม่มีทางที่จะหลบได้เลยแล้วอีกประการหนึ่งนี่ท่านบอกว่าอุปัตะวะคืออุปสักด์อันตรายภัยต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นจากคนผ่าน ท่านบอกว่าอุปตวะและอุปศักเหล่านั้นทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะอาศัยคนผ่าธั้งนั้นบางทีคนพานเนี่ยต้องการปรารถนาความเป็นใหญ่แต่ท่านยกตัวอย่างว่าปรารถนาความเป็นราชาสร้างสมผูคนหาเงินหาทองสร้างสมภูคนเข้าลุยบอลลังเลือดขึ้นมานะฮะกว่า ว่าจะได้อะไรในคนตายเป็นเบื่อะลรอย่างนี้อย่างปู่ระเจ้าอโศกระเจ้าจันทรคุบเนี่ยสมัยนั้นเครียกหมาโจรจันทรคุบมีที่ปรึกษาใหญ่คือปาน ก, กัพรามรอจานักยะเนี่ยท่านไปร่วมรบกับอเล็กซานเดอร์มาราชแล้วก็เข้าตีเมืองขยานะโอ้ยคนตายเยอะเหลือสองคนเหลือท่านเองกับจนทยะ นี่ก็ไปในป่าแล้วไปได้บทเรียนจากยายแก่ซึ่งกาลังทอดขนมคือกาลังทอดขนมอยู่เนี่ยล้านชายก็นั่งอยู่ไกลๆผ่านทั้งสองนี้ไปแอบซุ่มอยู่ที่ข้างกระตอบพอยายตักขนมลงมาล้านชายก็จับก็ไปถึงกินตรงกลางเลย ร้องจากยายก็บอกไอ้แกเนี่มันโง่จริงๆเหมือนกับไอ้โจ น, โจนโมหมาไอ้หมาโจนโจันทรคุบเลยตีบ้านตีเมืองทั้งทีไปตีตรงกลางเมืองอย่างงั้นได้ไงก็ค่อยๆตีไปจากข้างนอกและเล็มไปจากข้างนอกทฤษฎีป่าล้มเมืองนะฮเพราะนป่าล้มเมืองเกี่ยวไจะเรื่องใหม่อะไร เกิจากการฟังพวกสมัมมาวิชาการต่างๆเราฟังแล้วเราไ ม, ไม่มีอะไรใหม่กันเพราะว่าปรากฏอยู่ในคำพีพระพุทธศาสนาแล้วทั้งหมดเลยผู้ไปเถอคุณพูดอะไรพูดไปแต่ถามว่าในพระไตรปิฎกว่าอ ย, ย่างไงเนี่ยตัวคำมันไม่เหมือนกันหรอกแต่เนื้อหานี่จะเหมือนกันแล้วผลก็จะเหมือนกัน เพอนอุปตว่าอุปสรรคอันตรายต่างๆเนี่ยโดยเห็นว่าบางทีมก็ลามปามนะคนอื่นเดืองร้อนนะคนพ่านคนเดียวซ่องสุมผู้คนยกตัวอย่างฮิตเลอร์คนเดียวนี่ฮะจุดชนวนสงครามขึ้นมาคนตายไปเท่าไหร่แล้วเราสาวไปเถอะมันเจอฮิตเลอร์เลยแต่ถ้าถามในใจฮิตเลอร์นี่คืออะไรคือริษยาริษยามันทําโลกไว้พี่นะ้า พลย้อนกลับไปอยู่ตรงโน้นเนี่ยไปอยู่ที่กิเลสอนยันที่บอกว่าปัญหาอุปสรรคทั้งหลายไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามเหี่ยช่างที่จะพูดแต่ว่ามาจากสมุทัยอะมาจากกิเลสทั้งหมดถ้ายังสาบใดเราสาวยังไม่ถึงกิเลสเนี่ยตอนนั้นแก้ปัญหาไม่ได้มันทานยาหมองแก้คันเราได้ทานยาภาราแก้ปวดเราได้แต่มันไม่หายหรอก เพรหลักการในศาสนาพุทธเนี่ยรเราเห็นว่าแนวตรงนี้เป็นแนวพูดเป็นเชิงรูปธรรมหมายความว่าต้องการให้มีนิทานตัวอย่างบุคคลแต่บุคคลเหล่านั้นแหละมันสะท้อนธรรมะให้เห็นว่าอุปตวะอุปสรรคอันตรายต่างๆเมื่อมีการซ่องสมบุคคลตีโอบบ้านเมืองมาชายที่จะดีป่าลอมเมืองเนี่ยคนรือดร้อนเป็นแถวต้องหนีก็เจอกระจิง จ, จัดพลัดพรายลงไป นะแม้แต่เนี่ยประธานาธิบดียอดบูธ ท, ที่ท่านเป็นในสมัยที่สองเนี่ยมีคนหนีออกจากสหรัฐอเมริกาเยอะเลยแล้ววันท่านทำพิธีรับตำแหน่งก็มีป้ายปฏิเสธว่าไม่ใช่ประธานาธิบดีของฉันคนบางทีก็ไปอย่างนั้นนะคคือบางทีเป็นหน่วยเป็นกลุ่มคนพวกนี้เขาเรียกอะไร n อ o อ นะไปปวนเขาทุกทุกแห่งเราก็ชอบพิธีการอย่างนั้นแต่เราก็ถือว่าเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิเสรีภาพก็ว่ากันไปเพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าพอมันบุกลุยขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงพิษุภิ ษ, ภษุนีวัดว า, ารามปนเปี้ยุบยับหมดเลยยุ่งกันหมดปวนกันหมดเดือดร้อนกันหมดเกิดภาวะแรนแค้นยากลำบากคนต้องชิงชินต่างๆ นะคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับ น, นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แถบทะเลอันดามันเนี่ยมันเป็นอุปตวะเป็นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่มันกระทบแต่ถ้าถามว่าถ้ามนุษย์ทำล่ะเออท า, ม, า ม, มันมแรงกว่านั้นนะแรงกว่าปรากฏการณ์โดธรรมชาติมันจะรุนแรงกว่านะจะจะมวลคนที่ตายเราเชียบกับ ระเบิดประมณูที่โรชิมานะอาตะกิสองลูกอะไรมากกว่าบ้านเรืนเสียหายอะไรมากกว่าอะไรมากกว่ามก็มนุษย์ทามากกว่าเพราะฉะนั้นถามคนนั้นเป็นอะไรก็เป็นผ่านจะไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษแล้วก็แต่ก็ยกตัวอย่างนะว่าในกรณีของเคยเล่าฟังเรื่องภิกษุชาเมืองโกสัมพี แกปวดในทั้งเมืองเลยนะพระพุทธเจ้าต้องเข้าไปอยู่ในป่าก็เถื่อน <S 1> <S 1> ถึงสาวัตถีท่านท่านได้ ต, ตัวเองอยู่ที่โกสัมพีสร้างเรื่องปวนหมดแล้วก็เป็นตราบาปของแผ่นดินมาจนถึงทุกวันเนี่ยน ะ, ะทะเลาะกันเรื่องตำรวจชาวบ้านโอ้ขี้หมูราขี้มาแห้งทะเลาะกันเรื่องว่าองค์หนึ่งเข้าห้องน้ำเข่าทรวมนะแล้วก็ ไปเหลือไม้น้ําชาระไว้มันมีวินัยกําหนดว่าพระเวลาเข้าห้องน้ําใช้ห้องน้ําต้องทําความสะอาดแล้วก็ต้องเทน้ําทิ้งให้หมดเพราะว่ า, ากลัวว่ายุงจะมาวางไข่และจะเป็นลูกน้ําแล้วก็สัตว์มันจะตายนะฮะมันเป็นเรื่องวินยัยแต่ไม่ใช่เจตนาฆ่าสัตว์เพราะงั้นท่านจะปรับเป็นตกลงแต่เนี่ยจากจุดของคนสองคนทะเลาะ ก, กันบูนไปหมดเลย หรือว่าพระเทวทัตคนเดียวยังไม่ปูน <c oughs> ปรศาสนาจะแย่เล ย, ย, ยแต่ละปัญหาเหล่านี้แต่ละปัญหาเนี่ยมันมาจากจคนผ่านที่ใจก็เป็นผ่านแล้วก็ลากเข้ารกขพงเป็นปัญหาต่างๆเยอะแยะไปหมดพระเจ้าทรงแสดงไว้ในลัคณะสูตรอังคุตรนิกายปีการนิบาตอังคุตรนิกาย เป็นอุปมาเป็นรูปธรรมให้เห็นโดยใช้ปรากฏการณ์ของธรรมชาติให้ดูนี่คือการสอนแบบมีอุปกรณ์การสอนอย่างที่ยกตัวอย่างว่าอุปกรณ์ของพระเจ้านี่เยอะแต่ไม่เปลือง ต, ตาง่างไงแต่มาเวลาไปอบรมพวกครูสอนจริยธรรมเนี่ยคือ ต, ตั้งแต่บรรยายมาไม่เคยใช้ อ, อะไรอะอหัวกระโหลกอะไร ภาพสไล่สะเลยอะไ ร, ะไรต่างๆไม่เคยใช่อ่มนุษย์ต้องมีจินตนาการต้องคิดได้ต้องมองพดเป็นภาพได้ได้ยินโครงบทมันต้องสามารถสเก็ตเป็นภาพได้ไม่ฝึกจินตนาการบ้างไม่ได้หรอกโลกทั้งหลายสิ่งดีงามทั้งหลายจะมันเกิดขึ้นในโลกมันเกิดจากจินตนาการการรับสารในจินตนาการต่อจากสารแล้วกัน ผู้เจ้ารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเพลิงอนุกลามมาจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าเนี่ยจะไม่แม้เรือนยอดทั้งหลายที่เขาโบกทั้งภายในภายนอกลภพัดข้าวไม่ได้มีบานประตูปิดมิ ด, ดชิดมีหน้าต่างปิดแล้วแม้จะใดภิกษุทั้งหลายภัยเหล่าใดเหล่าหนึง่งจะเกิดขึ้นภัยเหล่านั้นทั้งหมดยงเกิดขึ้นแต่คนผ่านเราเห็นความเจริญเราเห็นความเจริญของงานด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธาปฏิยกรรมในยุคพระพุทธเจ้านี่ไม่เบาเลยนะระปราสาส ท, ที่ท่งอธิบายให้รายละเอียดเอาไว้เนี่ยเป็นประสาทที่เหมาะสมแต่ว่าเราเราอาจจะคิดนะคือคื อ, คอลักษณะของอาคารในประเทศอินเดียเนี่ยตลอดเรื่อยมาจนถึงพระวินัยพระวินนยกำหนดว่าเวลากลางวันให้ปิดประตูนหน้าต่างหมด เพราะความร้อนเนี่ยมันจะเข้าไปแล้วก็เก็บความเย็นตอกลางคืนเอาไว้ข้างในก็อยู่ได้พอตกกลางคืนก็เปิดประตูน้านต่างออกมาเพื่อรับซึมซับความเย็นไปเก็บไปข้างในเป็นวิธีการที่ไม่ต้องติดแอร์คอนดิชันนะรก็แสดงให้เห็นว่าปราสาทเนี่ยมีลักษณะยังไง โบกดีทั้งภายในภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูมิดชิดมีหน้าต่างปิดแล้วแต่ก็จริงภัยอันตรายก็เกิดได้นะปิดขนาดนั้นเกิดได้นะคนพานิชยเกิดได้ทั้งนั้นเนี่ยทะลุทะลวงกำแพงนะฮะซึนามิก็ทําลายกำแพงได้ทําลายภูเขาอะไรแต่ได้ทําลายยกเรือยกอยกอะไรไปได้แต่ถามว่าถ้าเทียบกับการกระทำของคนพานิชย คน่านเราได้มากกว่านั้นเยอะเลยหรือรบใหญ่หญๆเนี่ยคน่านก็รับเบิดได้ตึกใหญ่ๆนะฮะตึกเบินเสตสองสองหลังพังเสียหายไปเยอะอยางพินตะกรอด้วยแต่ <c oughs> ก็ก็เห็นได้ชัดว่ามันมาจากพานนะมันมาจากพานธรรมชาติคือธรรมชาติธรรมชาติถ้าเราฉลาดพอเนี่ยเราก็เอาตัวรอดได้ ลดความรุนแรงลงไปได้แต่พาเนี่ยมันเล่นยากนะเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่แกยิ้มอยู่เนี่ยแกคิดยังไงเนี่ยเราไม่รู้เลยซ่อนดาบในรอยยิ้มปากปราศสายใจเชื่อดคอปากหวานก้นเปรี้ยวมือถือสากปากถือศีลนะยากมากแล้วก็ส่งไปเศษว่าไม่มีอันตรายอะไรที่เกิดขึ้นจากบัณฑิต อันตรายทั้งหลายไม่เกิดขึ้นใน บ, บัณฑิตเพราะบัณฑิตจะไม่ทำอันตรายแม้แต่กับคนผ่านบัณฑิตจะไม่รประพฤติตามาน้าของกิเลสผลเส้นทางของบัณฑิตคือเส้นทางของอริยมรรคที่นําความเป็นสิริมงคลมาให้นําความสวัสดีมาให้นําความสุขมาให้แต่มันก็เป็นกฎของกรรมหมายความว่าคนจะต้องประพฤติปฏิบัติ ถึงโคบก บ, บัณฑิตบัณฑิตท่านสอนท่านแนะนำท่านชี้แจงอธิบายอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่ทําตามมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเลยรับสั่งว่าอุปตรวะวาเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้นอุปตรวะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่านเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่อุปสรรคก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะงั้นอุปสรรคอุปตรวะอันตรายทั้งหลายเนี่ยมันก็สืบเรือกมาจากคนผ่าน มันทํานองลคล้ายๆกับไฟลุกไม้มันลามยังไงก็ตามนะฮะมันก็เป็นเรื่องของไฟอะไฟในที่นี้พูดในลักษณะการเผาผลาญมันจะพูดในลักษณะการขาจัดกิเลสน ะ, ะเพราะว่าไฟจะขจัดกิเลสเนี่ยบางทีเราก็พูดในแนวเผาผลาญเหมือนกันเช่นอัตาปีเนี่ยเผาผลาญเหมือนกันแต่ว่าเผาผลาญกิเลสก็เรียกว่าเผาผลาญกิเลสได้ ร, ร้าเรอน แต่ถ้าใช้ส่วนใหญ่จะใช้ในเนื้อหาของความเป็นแสงสว่างเพราะว่าเป็นตัวแทนของปัญญาคือกระจัดความมืดรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายคนพานมีภัยจำเพาะหน้าบัณฑิตหาภัยจำเพาะหน้ามีได้คนพานมีอุปตวะบัณฑิตหาอุปตวะไม่ได้คนพานมีอุปสรรคบัณฑิตหาอุปสคกไม่ได้ด้วยประการดังนี้แหละภิกษุทั้งหลายบัณฑิตไม่มี ภัยไม่มีแต่บัณฑิตอุปถัมภ์ไม่มีแต่บัณฑิตอุปสรรคไม่มีแต่บัณฑิตซึ่งก็หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยอันตรายทั้งหมดจะเกิดขึ้นมาจากคนผ่านเป็นประการสําคัญแล้วก็ข้อความในดีกาลัคนสูตรเนี่ยท่านอธิบายถึงงานทางด้านสถาปัตยกรรมว่าเขาสร้างอย่างไงอาคารอย่างเนี้ย อาคารอาคารแรกๆนะอาคารนี้เรื่องไปไม่แรกๆแล้อบอกข้างบนเนี่ยเามุงไว้ด้วยไม้อ้อทั้งหลายโดยท่าทางอย่างมุงด้วยหญ้าโดยรอบเนี่ยบางด้วยไม้อ้อเหล่านั้นเหมือนกันโดยทํานองฝาแล้วก็อธิบายไปเร่อนะฮะอธิบายไปเร่ถึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั้งหลายเพราะนันประเด็นที่ระตาาจารย์ท่านเน้นเนี่ยอบอกอาการคือความที่จิต คุกคลันคือจิตไม่สงบจิตไม่นิ่งภัยอันตรายนั้นเป็นเหตุแห่งความฟุง้งซ่านความขัดข้องคือความประสบความคับแค้นเพราะทำให้ตอบแทนไม่ได้โดยเหตุมีถูกเทพดาเบียดเบียนเป็โต้นในชีอวอุปสรรคคือคำเหล่านี้เป็นคำที่เวลาท่านใช้ในภาษาบาลีในมะกรอบเราจึงได้ยินคำบางคำที่มันซ้ำๆกันเช่นว่า ธรรมจักจะคุ้งดาปดิญานางอุดาปดาิปัญญาอุดาปดิวิชาอุดาปดิโลกคอุดาปดิเห็นไหมเกิดขึ้นมาตั้งเยอะเลยจะกขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างตั้งห้าคำแต่ก็หมายถึงตัวยานซึ่งเกิดขึ้นภายใ น, นจิตใจเพราะในที่นี้ท่านก็อธิบายให้ฟังะะใช้คำนั้นหมายถึงสิ่งนั้นใช้คำนั้นหมายถึงสิ่งนั้นพระเอเดนคนผ่านทั้งหลายอันผู้มีปีชาพึงทราบ ว, ว่าเหมือน เรือนที่ถูกไฟไหม้เมื่อคนพานเหล่านั้นเป็นผู้สามารถในการนำทุกมีไฟเป็นต้นทุกชนิดมาให้แก่บุคคลทั้งหลายผู้ทำตามคำของตนแต่ลักษณะบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตมันมีลักษณะของการอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาทเพราะานะบัณฑิตจึงมีมลักษณะเหมือนกับการตั้งประทีปไว้ในที่มืด หรือเหมือนการได้ข้าวได้น้ำเป็นต้นสามารถที่จะ ก, กระจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้บัณฑิตสามารถกำจัดความทุกข์ขำจัดภัยกำนะจัดโรคต่างๆได้แล้วก็มองคือคือเป็นการเสนอในลักษณะเทียบเคียเเงเอาเลือกเอาจะเอาอย่างไงก็มันก็ยังเป็นเรื่องแปลกนะ คือคนยังคบหาสมาคมคนผ่านเนี่ยอย่างที่ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรเลวร้ายยังไงก็ตามมีคนกลุ่มหนึ่งไปใส่ใจไปให้ความสำคัญไปด้วยนะกับพฤติกรรมในลักษณะเช่นนั้นนะูกไปเล่นกับไฟเล่นกับสารพิษผูกแหวงเท้าหาเส้นผวกหรือฝอยหาตะเข็บแล้วก็มีอย่างเนี้ยก็ไม่รู้จะว่ายัางไง เพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามพัฒนาคนคือลดคนพาลลงไปแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมบุคคลที่แวดล้อมเนี่ยจำนวนการศึกษาผู้ปฏิรูปการศึกษาก็ใช้ต้นแบบนะฮะหมายความมาได้คนที่เป็นต้นแบบที่ดีปัตวะอันต ร, รายอุปสรรคภัยอะไ ร, ต, ออะไรต่างๆนี่จะลดลงไปได้เยอะ แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเป็นความสวัสดีเป็นอุดมมงคลก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาทั้งฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหายาลิยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี